วันนี้พวกเราจะมาหานัตถิสันเตะพลังสุขขังกันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายไม่มีความสุขอันใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงไม่มีรถใด ที่จะดีเท่ากับรสของธรรมะรสของธรรมะก็คือความสงบเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถสร้างกันขึ้นมาได้มีกันได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นข่าวา่์ เป็นความสุขที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีกันได้ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่มีความแตกต่างกันไปตามฐานะตามเพศตามวัยแต่ความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นขอทานมีความสุขแบบนี้ได้ด้วยกันทุกคนแต่ทุกคนต้องเป็นคนสร้างกันขึ้นมาเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครสร้างความสุขอันนี้มาให้กับเราได้เราต้องเป็นคนสร้างความสุขอันนี้เองความสุขอย่างอื่นนี่คนอื่นยังพอสร้างให้เราได้เช่นพ่อแม่ก็สามารถสร้างความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลล่นกายให้กับเราได้ พอแม่หาเงินหาทองมาให้ลูกใช้ลูกก็มีความสุขได้แต่ความสุขเหล่านี้ความสุขในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเท่านั้นเองเป็นความสุขที่หุบหอความทุกข์เอาไว้เป็นเหมือนอยาขมเคลือบน้ำตาลเวลาน้ำตาลละลายไปแล้วก็จะเหลือแต่ความขมขืน เวลาความสุขหมดไปแล้วก็จะเหลือแต่ความทุกข์นี่คือความสุขทางโลกท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เป็นไปได้ตลอดเวลานี่เรียกว่าอนัตตาคือเราควบคุมบังคับความสุขต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เราสั่งให้ลาบยศสารเสริญสั่งให้ลูกเสียงกลิ่นรสผุดถเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เสมอไปสั่งให้เงินทองมา บางทีก็มาบางทีก็ไม่มาสั่งให้เงินทองอยู่กับเราไม่ให้จากเราไปบางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่สั่งให้คนนั้นคนนี้อยู่กับเราบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ไม่อยู่นี่คือความสุขที่เราสั่งไม่ได้เมื่อเราสั่งไม่ได้เวลาที่เขาเปลี่ยนไป เวลาเขาเสื่อมไปก็จะเป็นเวลาที่สูญเสียความสุขเหล่านั้นไปเวลาสูญเสียความสุขเหล่านั้นไปแล้วอะไรจะเกิดตามมาก็คือความทุกข์ก็เกิดตามมานั่นเองนี่คือความสุขที่พวกเราหากันหรือว่าคนอื่นช่วยหาให้เราเช่นบิดามารดาสามีภรรยา ญาติสนิทมิตรสหาย <Yeah. S 1> พอที่จะหาให้กันได้ความสุขแบบนี้แต่เป็นการหาความทุกข์ให้พร้อมไปด้วย <Yeah. S 1> เพราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้นั่นเอง <Yeah. S 1> จึงเป็นความสุขปลอม เป็นความทุกข์เสียมากกว่าเป็นความทุกข์ที่หุ้มห่อด้วยความสุขเป็นเหมือนเศษขยะที่หุ้มห่อด้วยกระดาษห่อของที่สวยงามพอแกะกระดาษออกมาก็จะเห็นขยะที่ถูกหุ้มห่อเอาไว้นักปราช เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาลหันตาสาวกทั้งหลายจึงไม่หลงกับความสุขแบบนี้นับป่านี้ท่านเห็นความสุขอีกแบบหนึง่งก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจอันนี้ทุกคนสามารถมีได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นกษัตริย์หรือเป็นขอทาน เป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจบความสุขเหล่านี้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เกิดได้ทุกคนขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สำคัญก็คือสติบางท่านถ้าเคยได้เจริญสติมามากแล้วนั่งแต่อดีตชาติมา ชา น, นี้เวลาอยู่เฉยๆอยู่ตามลำพังความสงบนี้ก็เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพราะเคยทำให้จิตมีความสงบมาแล้วในอดีตเช่นพระพุทธเจ้าขณะทรงพระยาววัยขณะที่พระองค์ประทรับอยู่ตามลำพังในวันนั้นเป็นวันที่มีงานแลกนาขัน พวกค่าท่าาตบริบาบริษศตรบริวารมัวแต่ไปทำภารกิจอย่างอื่นจึงปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ตามลำพังพอพระองค์ทรงไม่มีอะไรมารบกวนพระไทยไม่มีรูปเสียงกลิน่นรสมาห้อมล้อ ม, อมพระไทยที่เคยมีความสงบมาในอดีต ก็เข้าสู่ความสงบได้เองโดยที่ไม่ต้องบังคับนี่คือความสงบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัส ต, ตั้งแต่เยาว์วัยและเป็นความสุขที่ดึงดูดพระทัยของพระองค์มาตลอดจนถึงเวลาที่พระองค์จำต้องเสด็จออกจากพระราชวัง พระ อ, องค์ก็ส่งมุ่งไปหาความสุขอันนี้ส่งมุ่งไปสู่ความสงบสงัดวิเวกทางกายแล้วก็ส่งเจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่งพระไัยของพระ อ, องค์ก็รวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นความสงบขั้นแรก ยังไม่ได้เป็นความสงบที่ถาวรเรียกว่าเป็นความสงบชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิใจจะสงบจะเป็นอุเบกขาจะมีความเย็นมีความสบายแต่ใจไม่สามารถอยู่ในสมาธิไปได้ตลอดหลังจากที่ ออกมาจากสมาธิเพื่อมาดูแลเรื่องของร่างกายร่างกายต้องมีการขับถ่ายมีการเติมน้ําเติมอาหารอยู่ในสมาธิได้ไม่เกินได้ไม่นานก็ต้องออกมาเพื่อมาทำหน้าที่ของร่างกายเวลาออกมาก็ใจก็เริ่มคิดปรุงแต่ง พอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาความสงบที่ได้จากการอยู่ในสมาธิก็จะถูกความอยากทำลายไปถ้าอยากจะสงบใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เพราะในสมัยนั้น ยังไม่มีพระพุทธเจ้าส ม, มาณะโคดมยังไม่ได้ตัดสุโรพระอนุตตะสัมมาสัมโพธิยานยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นวิธีที่จะทําใจให้สงบได้อย่างถาวร อ, อันนี้เลยกลายเป็นโจทย์ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาของเจ้าชายสิทธัตถะของส ม, มณะโคดม ว่าจะทำอย่างไรใจนี้ถึงจะสงบได้อย่างถาวรก็ทรงเห็นว่าจะส่วนหนึ่งของความไม่สงบก็เกิดจากความอยาก อ, อยากรับประทานอยากดื่มอยากเวลาได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขแต่ความจริงการดื่มการรับประทานนี้ มีสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็ต้องคือดื่มรับประทานตามความต้องการของร่างกายส่วนนี้เรียกว่าเป็นความจำเป็นถ้าร่างกายไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานร่างกายก็จะต้องตายไปในที่สุดแต่ในขณะที่ดื่มและรับประทานนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเข้ามาแทรกได้ ก็คือความอยากดื่มอยากรับประทานเช่นอยากดื่มอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อยากดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นตันหาความอยากที่เป็นตัวที่จะทำให้ความสงบจากสมาธินั้นถูกทำลายไปได้ในเบื้องต้นพระองค์ไม่ทรงสามารถแยกแยะความอยาก จากความจําเป็นได้ก็ทรงคิดว่าถ้าอดภระกายาหารแล้วความอยากจะหมดไปจึงทรงอดภระกายาหารถึงสี่สบเก้าวันด้วยกันแต่ความอยากดื่มอยากรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้ก็ไม่ได้หายไปไม่ได้หมดไปร่างกายก็สู้พร้อมจน เกือบจะถึงวาระสุดท้ายพระองค์ก็ทรงเห็นว่าความการอดพระกายอาหารนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะหยุดความอยากได้พระองค์เลยต้องทรงย้อนกลับมาเสวยพระกายอาหารตามปกติแล้วก็ทรงพิจารณาว่า ความอยากนี้จะต้องแก้ด้วยการภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวน า, า, วนาเพราะว่าความอยากนี้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายจึงทรงตั้งสัจจะอธิษฐานนั่งอยู่ใต้โคนไม้คล า, ายใต้ต้นล่มโพต้นโพและทร ง, งอธิษฐาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะประทับอยู่ตรงนี้จะเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาจนกว่าจะตัดสรุจนกว่าจะทำลายความอยากทั้งหมดให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์พระองค์จึงทรง จเจรินส ม, มถะภาวนาทำพระทัยให้สงบพอขณะที่พระทัยสงบนั้นความอยากก็สงบตัวลงไปตอนนั้นก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจเป็นอุเบกขาไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรแต่พอออกจากส ม, มถะภาวนามา พอปล่อยให้ใจคิดตรุงแต่งก็เกิดความอยากต่างๆตามมาเกิดความอยากในกามคือกามตัณหาภวะกามกามตัณหาเกิดความอยากมีอยากเป็นคือภวะตัณหาและเกิดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภาวะตัณหา หลังจากนั้นก็ทรงพิจารณาว่าความอยากนี้เองที่ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจกระเพื่อมและการที่จะทำให้ใจกลับมาสงบเป็นปกติก็ต้องหยุดความอยากให้ได้สิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติปัญญานี้เอง คือให้พิจารณาทรงพิจารณาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้ไม่ได้เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรทุกข์เพราะว่าไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่า สิ่งต่างๆที่ทรงอยากได้นี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่อยู่ภายใต้คำสั่งก็เลยหยุดความอยากได้เพราะอยากได้แล้วได้แทนที่จะได้ความสุขกลับจะได้ความทุกข์แล้วเอามาทำไมเช่นพิจารณาว่า การมีสามีหรือการมีภรรยานี้เป็นความทุกข์มากกว่าการอยู่เฉยๆอยู่ตามลำพังอยู่ลำพังนี้จะไม่มีความทุกข์กับสามีไม่มีความทุกข์กับภรรยาพอมีสามีมีภรรยาแล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะรักสามีรักภรรยาก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนา น, น, าน แต่สามีและภรรยานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่เราคงเห็นตัวอย่างมากมายของคนที่เขามีคู่กันมีสามีภรรยากันเป็นสามีเป็นภรรยากันบางทีก็ต้องจากกันไปบางทีสามีก็ต้องไปทำงานอยู่ต่างประเทศ เวลาอยู่ห่างกันก็เกิดความทุกข์ใจเลยนี่เป็นการจากกันเพียงชั่วกราวแล้วเวลาที่เกิดจากกันอย่างถาวรเช่นตายจากกันไปหรือหนีจากกันไปเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้หยุดความอยาก เมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ใจอยากได้นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละความอยากหยุดความอยากได้อยู่เฉยๆได้โดยที่อยู่เฉยๆตามลำพังอยู่กับความสงบได้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสปุพะมาให้ความสุขไม่ต้องให้ ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญมาให้ความสุขไม่ต้องมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธีดามาให้ความสุขเพราะไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองเป็นความทุกข์ในรูปของความสุขซ่อนอยู่ข้างหลังของความสุขเป็นความสุขเบื้องต้นแล้วก็เป็นความทุกข์บั้นปลาย นี่คือความสุขของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ท่านจึงเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่ต้องการความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงจึงต้องละความอยากต่างๆให้หมดไปละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะ รูปเสียงกลิ่นรสผลัพธะนี้ก็รวมไปถึงบุคคลต่างๆเพราะบุคคลนี้เราก็สัมผัสผ่านตาหูจมูกลินกายนั่นเองเห็นรูปของเขาได้ยินเสียงของเขาได้ดมกลิ่นของเขาได้สัมผัสกับร่างกายของเขานี่อันนี้ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลัพธ์เป็นกา마ตันหา อันนี้ต้องตัดไปความอยากมีอยากเป็นก็ต้องตัดไปอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอยากจะเป็นอะไรจีปาท ะ, ะต้องตัดไปให้หมดเพราะมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับ เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เสมอไปเวลาที่สั่งไม่ได้เวลานั้นจะเกิดความทุกข์มากเวลาที่สั่งให้สามีภรรยาให้อยู่กับเราไม่ให้จากเราไปเวลาเขาจะจากเราไปนี้จะเป็นเวลาที่ทุกข์มากนี่คือปัญญาถ้าเราหมั่นพิจารณา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากได้พอเกิดความอยากปั๊บก็ให้นึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตากึ้นมาทันทีพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดทันทีเหมือนกับเวลาไปหยิบขนมมารับประทานเราเห็นป้ายเขียนว่า เป็นยาพิษพอเห็นว่าเป็นยาพิษนี้ก็จะปล่อยทันทีไม่หยิบขึ้นมารับประทานฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระล้วนเป็นยาพิษทั้งนั้นล้วนเป็นอสสารพิษที่จะกัดให้เราทุกทรมานนี่คือปัญญา ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆมีอะไรบ้างที่เที่ยงแท้แน่นอนที่เหมือนเดิมไปตลอดไม่มีของทุกอย่างเปลี่ยนไปบางอย่างก็เปลี่ยนเร็วบางอย่างก็เปลี่ยนช้าแต่ช้าหรือเร็วในที่สุดมันก็เปลี่ยนไปมันหมดไป มันจเจริญแล้วมันก็เสื่อมไปเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ห้ามเขาได้เวลาเราอยากให้เขาไม่เสื่อมอยากให้เขาเป็นตามที่เราต้องการก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือการที่จะทำให้ความสงบนี้ เป็นความสงบที่ถาวรต้องทำด้วยวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนานี้เป็นขั้นเริ่มต้นเป็นขั้นทำเป็นขั้นแรกคือทำให้ใจสงบด้วยการควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีความอยากไม่เกิดความอยากและเวลานั่งเฉยๆใจก็จะรวมลวงสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงคือความสงบใจนี้พอออกจากสมาธิมาแล้วพอใจเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้อนิจังทุกขังอนัตตาเข้ามาสกัดทันทีอยากได้อะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรขอให้นึกถึงอนิจังทุกขังอนัตตาขอให้เห็นอนิจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราอยากได้ในบุคคลที่เราอยากได้ถ้าเห็นแล้วมันจะหดตัวทันทีความอยาก ไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบนี้ดีกว่าอพอหยุดความอยากความสงบที่ได้จากสมถะภาวนาที่ได้จากสมาธิก็จะกลับคืนมาทันทีแล้วต่อไปความอยากนั้นก็จะไม่มีวันกลับคืนมาอีก ถ้าเราได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความอยากจะได้สิ่งนั้นก็จะไม่หวนกลับคืนมาอีกหวนกลับมาก็ไม่มีกำลังที่จะหลอกให้เราไปหลงอีกคนที่เลิกดื่มกาแฟเลิกดื่มสุราเลิกยาเสพติดแล้วจะไม่กลับไปเสพอีกโดยเด็ดขาดเพราะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปติด ไปกับการเสพยากับการดื่มสรดากับการสูบบุหรีก่ก็จะไม่อยากที่จะเสพอยากจะดื่มอีกต่อไปอนี่แหละคือการสร้างนาัตติสันติบาลังสุขขังสร้างลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวง ด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่แหละคือการที่ทาให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นพระอริยสัจสี่ตัดสรู้พระอริยสัจสี่เมื่อก่อนไม่รู้ไม่รู้ว่าความทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดจากความอยากหรือรู้ก็ไม่รู้จากวิธีที่จะหยุดความอยาก จนได้พิจารณาเห็นตายรักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่สามารถควบคุมบังคับได้ถ้าอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาแน่นอนอยากให้เขาอยู่ภายใต้คําสั่งก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมานี่เรียกว่ามัก มั ก, ก็คือสติปัญญานี้เองเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสภาวธรรมภายนอกหรือสภาวธรรมภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหยาบหรือละเอียดเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันหรืออนาคตล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้น สภาวะธรรมทั้งหลายสัพเพธมมาอนัตตาสัพเพธมมาอนิจจังสัพเพธมมาทุกขังนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่สุขเลยสุขก็เป็นความสุขแบบเคลือบความทุกข์เอาไว้เท่านั้นเองเป็นความสุขปลอมที่จะหลอกให้ผู้ที่ไม่มีปัญญาหลงยึดติดอยู่ เหมือนกับปลาที่ไม่เห็นตะขอเบ็ดที่เกี่ยวติดเกี่ยวติดอยู่กับเบติดติดอยู่กับเหยื่อเวลาปลาไม่ฉลาดผ่านมาก็จะเห็นเหยื่อแต่ไม่เห็นเบ็ดก็จะฮุบเหยื่อทันทีพอหุบเหยื่อปั๊บก็จะถูก เ, เบ็ดเกี่ยวคอเกี่ยวปากทันที อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้พิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเวลาเห็นอะไรอยากได้อะไรก็จะคว้ามา ท, าทันทีพอคว้ามาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมาต่อไปพวกเราที่ยังติดอยู่กับความสิ่งต่างๆก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้จักมองทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันเรายังมองว่าดีอยู่ยังมองว่าให้ความสุขกับเราอยู่แล้วเราก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นความสุขเราเห็นว่าทรัพย์นี้ดีให้ความสุขกับเราเราก็เลยต้องมาทุกข์กับการหาทรัพย์ทุกข์กับการดูแลรักษาทรัพย์แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียทรัพย์ไป เกิมากี่ภพกี่ชาติก็หลงมาติดกับทรัพย์นี้อยู่ทุกครั้งไปเพราะเราไม่เลิกหาทรัพย์ไม่เลิกใช้ทรัพย์กันเราใช้ทรัพย์เป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเช่นอยากจะดูภาพยนตร์ก็ไปดูตามโรงก็ต้องมีทรัพย์จ่ายค่าดูอยากจะฟัง ฟังเสียงต่างๆก็ต้องเสียซาตางอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็ต้องเสียเงินสิ่งเหล่านี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีก็ได้ถ้าเรามีความสงบถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบแล้วเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้แหละจึงเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาบำเพ็ญจิตภาวนากันมาบำเพ็ญสมถะภาวนาทำใจให้สงบกันแล้วก็จะลอยวิปัสสนาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากสมถะภาวนากัน ถ้าเราทําได้แล้วเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของอะไรก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีคู่ครองไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไร ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเยินยอก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีบริสัทไม่มีบริวารอยู่ตามลำพังก็จะไม่เดือดร้อนเพราะมีความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลาย น, นั่นเองคือนัตติสันติเปลังสุขขังหรือลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง หน้าที่ของพวกเราจึงต้องพยายามหาเวลามาบำเพ็ญจิตตะภาวนานี้ให้ได้ถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ถือว่ามีเวลาเต็มที่แล้วมีเวลาที่จะบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่แล้วเพราะนักบวชนี้ไม่มีภารกิจเหมือนกับคารวะคารวาะ น, นี้ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเอง ต้องทำมากินก็จะไม่มีเวลามากพอเหมือนกับนักบวชนักบวชนี้มีคารวาดเลี้ยงดูตอนเช้าก็เพียงแต่เดินบิณฑบาตเท่านั้นก็จะได้อาหารมาประทังชีพแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็ไม่มีภารกิจอะไรต้องทำอีกแล้วนอกจากจิตตภาวนาก็ให้ไปที่ สงบสงัดวิเวกไปเจริญสติไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งทําใจให้ว่างให้สักแต่เรารู้ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิถ้าทํากันอย่างต่อเนื่องแล้วต้องได้ผลอย่างแน่นอนแล้บวบัว น, นี้จึงเป็นผู้ที่มีโอกาส มากกว่าคาราวาสถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนมืออาชีพกับมือสมัครเล่นมืออาชีพนี้ย่อมมีเวลาที่จะฝึกซ้อมงานของตนได้มากกว่ามือสมัครเล่นช่งเช่นนักกีฬาถ้าเป็นนักกีฬามืออาชีพเช่นนักชกมวยมืออาชีพนี้ไม่ต้องไปทำมาหากินแล้วไม่ต้องไปทำงานทำการ ก็ เ, เอาอาชีพชกมวยนี้เป็นอาชีพก็จะมีเวลาฝึกซ้อมชกมวยได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับนักมวยสมัครเล่นที่ยังต้องมีอาชีพอย่างอื่นมาประทังชีพเพราะการเล่นกีฬาสมัครเล่นนี้ไม่มีรางวัลตอบแทนเป็นเงินทองนั่นเองแต่นักมวยมืออาชี้นักกีฬามืออาชีพนี้นกก ม, ออนมีเงินทอง เป็นสิ่งตอบแทนจึงไม่ต้องไปท ร, รมาหากินเหมือนกับพระนักบวชนี้ก็เป็นเหมือนนักภาวนามืออาชีพไม่ต้องไปภาไม่ต้องไปทำมาหากินมีผู้เลี้ยงดูมีผู้สนับสนุนมีคารวะญาติโยมสนับสนุนใส่บาตรอยู่ทุกวันไม่อดอยากขาดแคลน ดังนั้นนักบวชนี้จึงเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้พบกับนัติสันติปาลังสุขขังมากกว่ขาข้รวาสถ้าดูบรรดาพระที่ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบวชกันข้รวาสนี้จะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะว่า คารวาไม่มีเวลามากพอที่จะสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาได้อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนกับนักบวชแต่ถ้าบวชแล้วกลับไม่มาภาวนาก็ อ, อาจจะสู้มือสมัครเล่นสู้คารวะไม่ได้คารวะบางท่านนี้ก็เป็นเหมือนนักบวชเพราะมีฐานะ การเงินการทองที่พร้อมบริบูรณ์ไม่ต้องไปทำงานทำการไม่ต้องไปทำมาหากินสามารถภาวนาได้ทั้งวันก็สามารถที่จะบรรลุได้เหมือนกับนักบวชเพราะสถานภาพแล้วก็เหมือนกับนักบวช ด, ดีๆนี่เองนักบวชนี้สถานภาพของนักบวชที่สำคัญก็คืออะไร ก็คือการมีเวลาภาวนานี้เองการบวชนี้ก็มาบวชเพื่อภาวนาพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบภารกิจอะไรให้กับพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเลยนอกจากให้เป็นอัตตาหิอัตโนนาทโถเท่านั้นในทางร่างกายก็ให้หาบินตะบัดอาหารเองอที่อยู่อาศัยก็ให้พักตามมีตามเกิด อยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเงื่อมผาบ้างอยู่ตามถ้ำบ้างอยู่ตามเรือนร่างบ้างจีวรผ้านุ่งหม่มก็ให้เก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆมาปะมาเย็บมามาติดมาต่อให้เป็นผ้าหม่มเป็นจีวรยาลักษาโรคก็ให้หาตามมีตามเกิดเช่นสมุนไพรต่างๆ ยาสมุนไพรต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการหากินหาอยู่ของนักบวชที่ไม่ใช้เวลามากอาหารก็ไปบิณฑบาตเพียงชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วบิณฑบาตกลับมาฉันปั๊บก็เสร็จแล้วก็จะมีเวลาว่างได้ภาวนาทั้งวันแต่ถ้าบวชแล้วกลับไม่มาภาวนา กลับมาทำภารกิจอย่างอื่นอันนี้ก็จะเสียเวลาเปล่าๆบวชไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบวชแล้วไม่ปฏิบัตินี้ก็เหมือนกับไม่ได้บวชสู้ผู้ที่ไม่ได้บวชแต่ปฏิบัติไม่ได้เช่นคารวาสบางท่านไม่ได้บวชแต่ได้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นนักบวชจริง นักบวชต้องเป็นนักปฏิบัติถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้เป็นนักบวชดังนั้นขอให้เราอย่ามองสถานภาพเราว่าเราเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชเอเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนร่ํารวยหรือเป็นคนยากจนเป็นคน ฐานะสูงหรือเป็นคนฐานะต่ำเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่มีเวลาที่จะเจริญสติสมาธิปัญญาหรือไม่เท่านั้นถ้าไม่มีเราก็ต้องหาให้ได้เพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน อยู่ที่ว่าเราจะเอาเวลาเหล่านี้ไปใช้ทำอะไรเท่านั้นเองถ้าเราเอาไปใช้กับการหากินหานอนหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาที่จะมาภาวนากันถ้าเราตัดเวลาที่เราใช้ไปกับการหากินหานอนหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน เราก็จะมีเวลามากมายที่จะมาภาวนาเช่นผู้ที่บวชแล้วนี้ท่านตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดการหาเงินหาทองท่านจึงมีเวลาที่จะมาเจริญสมถะระวิปัสสนาภาวนากันเรื่องของการจัดการเวลาจึงขึ้นอยู่ที่ตัวเราเอง อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้อย่าไปว่าไม่มีเวลาภาวนาเวลามีด้วยกันเท่ากันหมดทุกคนยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวันอยู่ที่เราว่าเราจะเอาไปใช้ในทางไหนถ้าเราอยากจะภาวนาเราก็ต้องตัดเวลาที่เราให้กับเรื่องอื่นไปตัดเวลาให้กับการนอนไปแทนที่จะนอนวันละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมง เราก็นอนแค่สี่ห้าชั่วโมงต่อหนึ่งวันก็พอแล้วแทนที่จะรับประทานอาหารวันละสามสี่ครั้งเราก็รับประทานอาหารเพียงครั้งเดียวก็พอแล้วแทนที่จะหมดเวลากับการไปดูไปฟังเครื่องบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปคุยกันไปสังสรรค์กันอันนี้ตัดไปให้หมด ไปปีกวิเวกอยู่ลำพังอยู่คนเดียวเราก็จะมีเวลาเหลือเฟือต่อการจเจริญสติสมาธิและปัญญากันนี่แหละนักบวชที่มุ่งต่อการดุดพ้นต่อความสุขของความสงบนี้จะต้องทำอย่างนี้จะต้องตัดเวลาที่ใช้ให้กับการหาสิ่งต่างๆหาความสุขทางตาหูจมูปปกลิ้นกาย ให้หมดไปเพื่อจะได้มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญ น, นักบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้จัดการเวลาอย่างนี้คือตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาพอสี่ทุ่มถึ ง, ถ ง, ถงสองยามถึงปีสองอีกสี่ชั่วโมง ก็ให้พักหลับนอนนอนในท่าสีหาสายญาตตั้งสติไว้ก่อนนอนว่าพอรู้สึกตัวจะลุกขึ้นมาทันทีถ้านอนแบบนี้ไม่เกินสี่ชั่วโมงก็จะตืน่นแล้วพอตีสองถึงสว่างถึงหกโมงเช้าก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาออกบินทบาทบินทบาทกลับมาฉันเสร็จ ก็ให้เท่าเดินเข้าทางจงกรมเดินให้เดินจงกรมก่อนเพราะเวลาหลังจากที่ฉันมาใหม่ๆนี้ถ้าไปนั่งแล้วจะง่วงนอนจะนั่งหลับก็ไม่ควรนั่งตอนนั้นควรเดินจงกรมเดินไปจนถึงเที่ยงถ้าเหนื่อยก็พักสักชั่วโมงนอนพักสักชั่วโมงพอบ่ายลุกขึ้นมาก็นั่งสมาธิต่อถ้า ง, ง่วงก็ลุกขึ้นมาเดิน จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จนถึงเวลาปัดกวาดล้านวันปัดกวาดเสร็จถ้ามีน้ำปานะก็ดื่มน้ำปานะสักหน่อยหลังจากนั้นก็ส่งน้ำจนถึงประมาณเวลาหกโมงเย็นก็เริ่มปฏิบัติต่อนี่แหละคือเวลาของนักบวชที่ใช้ให้กับใช้กับการปฏิบัติจะใช้อย่างนี้ ส่วนปริยัดการศึกษานี้ก็ศึกษากับครูบาอาจารย์เช่นทุกสามวันสี่วันห้าวันนี้ครูบาอาจารย์ก็จะเรียกประชุมสักครั้งหนึ่งเรียกมาเรียกพระเนรที่อยู่ในวัดมาอบรมกันสักครั้งหนึ่งเช่นในตอนค่ำตอนหกโมงครูบาอาจารย์ก็จะเรียกมาอบรมแสดงธรรมให้ฟังประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงพอถึงสองทุ่มก็เลิกกัน แล้วก็กลับไปภาวนาไปปฏิบัติต่อนี่คือแนวทางที่หลวงตานาพาปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตออย่าปฏิบัติกันอย่างนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วผลที่ต้องการนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติแบบมีสติจเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ถ้าปฏิบัติแบบไม่มีสติปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นังนน่งสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็จะไม่ได้ผลสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติที่ให้เกิดผลจึงต้องคอยเฝ้าสังเกตดูใจว่าเรามีสติควบคุมความคิดปุงแต่งหรือเปล่า ใจเราพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าในขณะที่เราเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิถ้าเราไม่ใช้พุโทโธใจเรามีสติอยู่กับร่างกายหรือเปล่าเฝ้าดูร่างกายทุกอิรยาบุของการเคลื่อนไหวหรือเปล่าหรือคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงเรื่องในอดีตคิดถึงเรื่องในอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้แล้ว ภาวนาไปจนวันตายก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาต้องหยุดความคิดให้ได้ต้องดึงมาให้อยู่กับร่างกายให้ได้หรือดึงมาให้อยู่กับพุโทโธให้ได้ถ้าไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าไม่ได้ภาวนามีแต่กิริยาแต่ไม่มีตัวภาวนาคือตัวจิตตัวสติที่ควบคุมจิตให้สงบเดินจงกรมไปก็ใจก็ลอยไป คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งสมาธิก็ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้นั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่สงบพอเจ็บก็ต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินเดินไปสักพักก็เหนื่อยก็กลับมานั่งใหม่ก็ไม่สงบสักทีอันนี้อย่าไปโทษใครโทษที่การที่ตัวเราที่เราไม่สามารถสร้างสติขึ้นมาได้ไม่สามารถควบคุมบังคับใจไม่ให้ไปคิด ถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเราบริกรรมพุทโธแล้วมันยังคิดอยู่เราก็ลองบริกรรมให้มันถี่ขึ้นให้มันเ็าขึ้นจนกว่ามันจะหยุดความคิดได้ถ้าหยุดความคิดแล้วความคิดไม่คิดแล้วเราก็บริกรรมตามธรรมดาได้ช้าๆหน่อยก็ได้พักบ้างก็ได้ถ้าใจไม่คิดอะไรแต่ขณะที่คิดนี้ต้องสู้กับมันเหมือนกับนัก บ, บวย ถ้าคู่ต่อสู้ต่อยเราอย่างตลอดเวลาเราจะยืนเฉยๆให้เขาต่อยเราก็จะถูกเขาน็อคเขาต่อยมาเราก็ต้องต่อยกลับไปต้องสู้กันหมดต่อหมดัดมันถึงจะสู้กันได้ถ้าเราพุทโทรพุทธโทรช้าๆแล้วความคิดกะแทรกเข้ามาเราก็ต้องพุทโทรให้มันเร็วขึ้นจนกระทั่งมันไม่มีความคิดที่จะแทรกเข้ามาได้พอมันไม่แทรกเราก็ช้าลงได้ผ่อนได้ ถ้ามันสร้างอีกเราก็เร็วขึ้นไปอีกเหมือนขับรถถ้าเราไม่ต้องการให้รถปาดหน้าเราเราก็ต้องขับแบบไม่ให้มีช่องให้รถเข้ามาเบียดเข้ามาได้เก็ะติดกับรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าไม่ให้มีช่องให้รถคันอื่นมาเบียดเข้ามาได้เลยอันนี้คืออุบายของการภาวนาะเราบางทีต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์หรือว่าควรจะบริกรรมช้าหรือเร็ว บางเวลาก็ช้าได้บางเวลาก็ต้องเร็วอยู่ที่ว่าความคิดของเรามีมากมีน้อยมีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยหรือถ้าเราบริกรรมพุโทโธไม่ไหวเราจะเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทสวดมนต์ที่เราจำได้สวดไปหลายหลายรอบก็ได้สวดไปจนกว่ามันจะเหนื่อยมันจะหมดแรง เวลามันเหนื่อยหมดแรงความคิดมันก็จะหมดแรงตามไปด้วยมันก็จะสงบได้เหมือนกันก็สำคัญขอให้เรามีความเพียรอย่าท้อถอยมีความอดทนมันยากมันลำบากแค่ช่วงนี้เองพอความคิดมันยอมแพ้แล้วทีนี้เราก็จะสบายแล้วทีนี้เราก็จะสามารถควบคุมมันได้สั่งมันได้แต่ตอนต้นนี้มันจะต่อสู้ ต่อต้านอย่างมากเหมือนกับเราฝึกวัวฝึกควายป่าที่ยังไม่เคยถูกจับมัดไว้ตอนต้นเวลาเราผูกมันไว้กับต้นไม้นี่มันก็จะสู้มันก็พยายามที่จะจะดิ้นจะกระตุกให้เชือกขาดให้ได้แต่ถ้าเชือกมันมีกําลังมากกว่ามันดิ้นเท่าไหร่มันก็ทําอะไรไม่ได้ เดี๋ยวมันก็เหนื่อยมันก็ยอมแพ้เองมันก็หยุดที่มันหยุดแล้วทีนี้เราก็สบายแล้วเราก็เอามาสั่งมันได้ถ้ามันดื้อเราก็ผูกมันไว้ถ้ามันไม่ดื้อเราก็ปล่อยให้มันเดินไปไหนมาไหนแต่เรายังไม่ได้ปล่อยเชือกเรายังมีเชือกมัดมันไว้อยู่คล้องคอมันไว้อยู่เวลาที่มันดื้อเราก็ดึงมันผูกมันไว้กับต้นไม้เวลามันไม่ดื้อมันเชื่อเราก็ ลากพามันไปไหนมาไหนได้ความคิดของเราก็เป็นอย่างนี้เบื้องต้นนี้มันจะดือ้อมันจะต่อสู้มันจะไม่ยอมหยุดคิดตอนนั้นเราก็ต้องใช้สติให้มีกำลังให้มากให้สู้กับมันให้ได้ให้พุทโธไปเรื่อยๆหรือให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะคิดหรือไม่คิดเราให้อยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวมันก็จะเหนื่อย แล้วมันก็จะหยุดคิดเองนี่คือการทาใจให้สงบด้วยสติถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีความภาคเพียรเราไม่มีความอดทนเราจะไม่สามารถที่จะทาใจให้สงบได้ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าอ่อนแออย่าเกลียดคร้านอย่าพึ่งผู้อื่น งานนี้พึ่งคนอื่นไม่ได้เราเป็นที่พึ่งของเราเองเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองผู้อื่นก็เพียงแต่คอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำเท่านั้นแต่ผู้อื่นปฏิบัติให้เราไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองถ้าเราปฏิบัติแล้วสู้ไม่ถอยแล้วเราจะต้องชนะอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ทรง พยากรณ์ไม่ว่าถ้าปฏิบัติตามที่ทรงสอนนี้ถ้าเจาริญสติสมาธิปัญญาได้อย่างต่อเนื่องนี้ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากจะต้องบรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีอันนี้เป็นรางวัลของพวกเรา เป็นความสุขที่ถาวรเป็นนัตติสันติพรังสุขขังเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่จะเป็นของเราตามลำดับต่อไปถ้าเรามีความอุตสาหะวิริยะมีความภาคเพียงมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายอมตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีอยู่ให้หมดไปเพื่อเราจะได้ เอาเวลาที่เราหมดไปกับการหาความสุขในรูปแบบต่ตางๆให้มากับการปฏิบัติอย่างเดียวให้มากับการเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติเพื่อควบคุมทําใจให้สงบให้ได้พอใจสงบแล้วขั้นต่อไปก็สอนใจให้ฉลาดพิจารณาสุขถึงทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นว่าเป็นอนัตยังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็จะสบายความวุ่นวายความทุกข์ใจก็จะหายไปเหลือแต่ความสงบพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปเพราะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วกิจในภะษาชนาก็ถึงวาระสุดท้ายแล้วนี่เรียกว่า วุตสิตังพรรมจรียงังกิจในพรมจ ร, รได้สิ้นสุดลงแล้วภารกิจที่ของการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาดีได้สำเร็จแล้วไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปเพราะเป็นเหมือนกับเติมน้ำเข้าไปในตุ่มน้ำจนเต็มตุ่มแล้วไม่ต้องเติมน้ำอีกต่อไปเติมไปเท่าไหร่ มันก็ได้แค่นั้นน้ำก็จะล้นไหลออกมาผู้ที่ทำลายตันหาความอยากหมดไปจากใจแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญสติสมาธิปัญญาอีกต่อไปสติสมาธิปัญญานี้เป็นเพียงเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ในการกำจัดตันหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจนี้เท่านั้นเหมือนกับนักเหมือนกับนักดับเพลิง เขามีน้ำมาดับไฟพอไฟดับแล้วเขาก็ไม่ฉีดน้ำอีกต่อไปฉีดให้เสียเวลาเปล่าๆเพราะว่าไฟมันไม่ลุกแล้วไฟมันหมดแล้วกลับที่พักได้แล้วกลับไปที่ฐานองข่าวได้แล้วฉันใดการภาวนาของเราการปฏิบัติของเราก็มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับภารกิจทางโลกนี้ต่อให้ทำมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมด พราะยามันจะมีความอยากทําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ร้อยล้านก็อยากจะได้เป็นหมื่นล้านได้หมื่นล้านก็อยากจะได้แสนล้านอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นก็จะต้องทํารับใช้ตันหาความอยากไปตลอดตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาอยากใหม่อีกดังนั้นเราต้องเห็นโทษของความอยากแล้วเห็นคุณของการปฏิบัติธรรม เราต้องดึงเอาเวลาทั้งหมดมาจากความอยากให้ได้เอาดึงเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยให้ความอยากเอาเวลาไปอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากนอนอยากเที่ยวดึงมาให้หมดเอามาเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วนักติสันติปลังสุขังความสุขอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีความสุขใดในโลกนี้จะเสมอรือดีเท่าก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ยะถาวาริวาหาฟูราตริปุลเณติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกบปฏิ อิจิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาญทปนาอาบาสุยะธามณิโชติอาบาสยะธาสัพพิตโยวิวัจจามตุสัพพารุโควินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาธนะสีลิษะนิจังุทาปะจายโนจะตาโรธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลา<ะ>ัเดี๋ยวนิมนตหลงพี่ถ้าต้องการจะมา ถ, ถวายของก็นิมนต์ได้เนี่ย เราต้องพิจารณาสุภาพต้องพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอาการต่างๆเช่นอาการ312เราเพียงเห็นเพียงห้าอาการเห็นภายนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังแต่เราไม่เห็นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เยือในสมองสีสันน้ำดีน้ำสเลจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมกน้ำไขยข้อน้ำมูดนี่อาการสามสิบสองที่เราควรจะศึกษาอยู่เรื่อยให้มันติดตาติดใจเปิดหนังสือดูภาพก็ได้หรือไปดูที่เขาผ่าศพก็ได้ให้เห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย เห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ขัดถ่ายออกมานามทวารต่างๆถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่ยเรื่อยๆเวลาเห็นร่างกายจะไม่เกิดการมาลลมขึ้นมาหรือเวลาเกิดการมาลลมถ้าเรานึกถึงอาการสาสิบสองนึกถึงส่วนที่เป็นปฏิกูลการมาลลมก็จะดับได้ ดูโดยจกบัณชาต ร, รับัสติการปฏิบัติตลอดสายของอาณาปสติไม่ใช่หรอกไม่ใช่ความเข้าใจปิดอาณาปัสติเพียงทาใจให้สงบตอนนั้นเบื้องต้นเรียกว่าเป็นสมมติภาวนาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องสอนสุภกรรมฐานให้เสียเวลาเนี่ยโดยเฉพาะพระนี่ท่านให้สอนกรรมฐานห้าก่อนเลย การมานห้าคือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของอสุภะคือเริ่มที่ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ให้ไปต่อให้ครบสามสิบสองอาการถ้าเห็นครบร่างกายครบสามสิบสองอาการแล้วก็จะไม่เกิดการามมอารมณ์ ก็ต้องพิจารณาอสุภะให้ให้เกิดให้ให้ดับการมาลมให้ได้ก็การพิจารณานี้เป็นเหมือนการทาการบ้านถ้าเป็นนอกมวยก็เป็นเหมือนการซ้อมกระสอบทายชกกระสอบทายไปก่อนเมื่อเราคิดว่าเราพร้อมจะขึ้นเวทีเราก็ นึกถึงภาพที่ทำให้เกิดการมาลมดูแล้วดูว่ามันดับมันได้หรือเปล่าการปฏิบัติการพิจารนณานีนเป็นเพียง เ, เป็นการทำการบ้านเช่นพิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายเยผาจนกายเป็นขี้เท้านี้ก็ยังเป็นเพียงแต่เป็นการทำการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องสอบถ้าอยากจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องเข้าห้องสอบ ต้องไปหาที่มันทำให้เราเกิดความกลัวอย่างสุดขีดเราดูสิว่าเราจะปล่อยดับความกลัวได้หรือเปล่าปล่อยร่างกายได้หรือเปล่าถ้าเราปล่อยได้ความกลัวได้ก็จะหายไปแต่เวลาที่เราพิจารณาของเราอยู่คนเดียวนี่มันยังไม่มีเหตุการณ์จริง เ, เป็นเพียงเป็นซ้อมยังไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้เจอคู่ต่อสู้จริง ต้องรอเวลาที่เราเจอคู่ต่อสู้จริงเช่นไปไปไปเจอเสืออย่างนี้ไปเจองูไปเจอเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายเราดูว่าตอนนั้นปัญญาของเราจะทันดิเลตหรือเปล่าดิเลตก็คือความกลัวตายปัญญาก็คือความเห็นว่าทุกอย่างต้องดับน่างกายนี้ต้องตายจึงต้องปล่อย เป็นอนัตตาถ้าไม่ปล่อยจะทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องปล่อยตอนนั้นมันถึงจะรู้ว่าเป็นปัญญาจริงหรือไม่เป็นปัญญาจริงปัญญามันมีสามขั้นไงขัน้นแรงเรียกว่าสุตมะยะปัญญาเราได้ยินเป็นปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็เอามาพิจารณาต่อเช่น ครูบาอาจารย์สอนได้พิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มาเจริญมาพิจารณาต่ออันนี้ก็เรียกว่าจินตามัจยปัญญาเป็นการทําการบ้านเป็นการซ้อมข่านต่อไปเราก็ต้องเข้าห้องสอบเมื่อเรารู้ว่าร่างกายนี้ต้องตายเราก็าไปทิ้งมันในป่าช้าก็ได้ทิ้งในที่มันน่ากลัวไปอยู่ในดงเสืออยู่ในดดงงูดู ดูว่ากลัวตายหรือเปล่าถ้าเกิดความกลัวดับความกลัวตายได้หรือเปล่าตรงได้หรือเปล่ายอมตายได้หรือเปล่า okay. ไ, ได้กิจราไปเห็นเหมือนอากามจิตเหอนมเครื่อากาศยามมันเข้ า, า, ามา จ, จักับงานแค่สิ่งนีทีนี้ว่ามันมาก็เพิ่มจิตจิตมีแค่อาการกับเสบถ้าเอาไว้ว่ามันไม่มีการแข็ง พอจับได้ว่าจิตก็เพีนแค่พีงสักทีก็หยุดทั้งนั้นมันหมือนกับว่าเราเราเห็นโจรกคฆ่าโจใได้ก็ต้องใช้อสุภาษนณะ์เนี่นต้องเห็นอสุภาษมันก็จะข่าได้อสุภาเป็นเหมือนยาแก้โรคปวดหัวเวลาปวดหัวกินยาแก้ปวดหัวอาการปวดหัวก็จะหายไปถ้ามันไม่ปวดเราก็เอาค้อนมาทบดูแล้วก็กินยาดู ดูถ้ามันไม่มีการมารมก็ต้องนึกถึงภาพหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการมารมขึ้นมาแล้วดูว่าเราเอาอาสุภาพมาดับการมารมได้หรือเปล่าถึงเรียกว่าเข้าห้องสอบเวลาที่เราพิจารณาสุภานี้การมารมมันจะไม่เกิดแต่เวลาเราเผลอนี่มันโผล่ขึ้นมาเราดับมันได้หรือเปล่า มืรเวลาเาที่มีการกระทบทางบัตสัมภารไปตงนั้นเหมือนใจมันแค่อากาสั่ไหวแค่สอสัมทีแล้วก็หยุดแต่ว่าโดยที่รกางกายมเหมีการสั่นไหวแต่ว่าความมึนหัก็รู้รู้ว่าหลักเท้ายังมีมันมันจัดก็น่แหละก็ก็ให้มันก็ให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้อสุภะดับมันเนี่ยก็นึกถึงความสุภะขึ้นมา การนึกถึงอสุภะแล้วการมรลมมันก็ดับไปตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อสุภะใช่ไหมก็เราไม่ฆ่ามันด้วยอสุภะนี่ยเวลามันเกิดกา ร, รมรลมใกล้นึกถึงอสุภะนึกไปจนกว่ามันจะหายไปดับไปแล้วทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาก็ใช้อสุภะดับมันไปเรื่อย จนกว่ามันจะหมดแรงไปมันก็จะหายไปเองต้องเจริญสุภาษอยู่เรื่อยๆจนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเห็นใครนี่เห็นเข้าไปข้างในเหมือนกับตาเอ็กซเลสแกนเข้าไปเลยเห็นเขามองทะลุใต้ผิวหนังไปเลยเห็นตับไตไส้ปูงเห็นสิ่งเป็นปฏิกูลต่างๆ ที่มีอยู่ในร่างกายขับถ่ายออกมามีร่างกายไหนที่ไม่ขับถ่ายสิ่งที่ปฏิกูลบ้างมีทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นดาราภาพยนตร์หรือเป็นขอทานข้างถนนมันก็ขับถ่ายเหมือนกันมีสิ่งเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งหลายออกมาทั้งนั้นมีอาการซาส12เหมือนกันหมดเวลาแก่ก็เป็นยังไงผิวที่ตึงมันหย่อนตงเป็นยังไง ผมที่ขาวผมที่มันดําแล้วกลายเป็นสีขาวผมที่มันร่วงทําให้เห็นก็เห็นเห็นศีรษะโลนนี้เป็นอย่างไรต้องคิดดูต้องพิจรารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาดับกามอารมณ์ได้ปฏิริยในในเวลาที่ท่านพูดขาวว่า ให้ศึกษาถึงวิราคในหาใจเข้าวิราลมันจออกแล้วเห็นมิโรคหายใจเข้าวิโรธเนี่ยหาก็คืออย่างตอนเนี้คุณหายใจเข้าคุณเห็นราคะหรือเปล่ามีราคะคืออันนี้คุณไปอ่านตำราแล้วก็คุณที่จะเอามาเอาตำรามามาเทียบกับการปฏิบัตินี่มันไม่มันไม่ตรงกันนะ คือความหมายก็คือว so ่าทุกลมหายใจเข้าออกให้เรามีสติดูใจเราว่าเกิดราคะหรือเกิดวิราคะเกิดราคะดับมันได้หรือเปล่าเกิดตัณหาดับมันได้หรือเปล่าเกิดความทุกข์ดับมันได้หรือเปล่าอันนั้นคือความหมายถ้าดับไม่ได้ก็ต้องหาเครื่องมือมาดับมันถ้าเกิดการมารมก็ต้องหาอสุภามาดับมัน ถ้ากลัวความตายก็ต้องเอามรณานุสติมาดับมันถ้าเกิดความโกรธก็ต้องเอาเมตตามาดับมันเนี่ยมันต้องเอาเครื่องมือเครื่องมือมันไม่ได้อยู่ในอนาปานาสติตัวเดียวมันต้องเอามาจากที่อื่นต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าเป็นสัพเพธรรมานาตาธรรมตั้งหลาย เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ถ้าไปอ่านตามตำราแล้วเอาตำราวนี้มากางปฏิบัติเนี่มันจะมันไม่มันจะไม่เป็นอย่างที่ในตำราเขียนไว้เอาปัจจุบันเป็นหลักเอาขณะตอนนี้ใจเราเป็นอะไรโกรธหรือเปล่าโกรธแล้วดับมันได้หรือเปล่า โลกแล้วดับมันได้หรือเปล่ากลัวแล้วดับมันได้หรือเปล่าห ล, ลงแล้วดับมันได้หรือเปล่าอันนี้แหละเ ป, เป็นเป็นเป็นตำราที่แท้จริงตำราที่แท้จริงก็คือใจแล้วนี่แหละเป็นตัวตำราตำราทั้งหมดมันก็ออกมาจากใจขณะที่ท่านแสดงนั้นท่านแสดงอย่างชัดเจนจากใจของท่านแต่เวลามาเขียนเป็นตำราแล้วคนอ่านนี่ อ่านไปเป็นคนเราเริ่มไปได้อาจาใจไหมอาานถึงสอนให้ใช้การดูใจเป็นหลักให้ดูปัจจุบันให้อยู่ในปัจจุบันเล้าใจเห็นอริยสัจสีปรากฏขึ้นมาในใจเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทำงานอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุทัยกับกับมกับทุกข์มากกว่า ใจเราผลิตสมุทยอยู่ตลอดเวลาเห็นนั้นั่นก็อยากเห็นไอ้นี่ก็อยากอยากไปหมดแล้วแทนที่จะหยุดความอยากก็ไปทำตามความอยากมันก็ไม่หมดความอยากเสักทีดูตรงนั้นอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจสมุทยอยู่ที่ใจมักที่ดับความทุกข์ ตัดสมุทัยก็อยู่ที่ใจเหมือนกันมักก็คือสติปัญญานี่ตอนนี้เราไม่มีมรรคเราไม่มีสติปัญญากันเราถึงต้องมาเจริญสติปัญญากันเจริญสติก็จะได้ความสงบเจริญปัญญาก็จะก็จะตัดกิเลสได้ตัดตัณหาได้ปัญญาก็ต้องเห็นตายลักษณะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นปฏิกูล ต้องไปเจริญตัวนี้ให้มากๆเจริญกับสุภะเจริญปฏิคูลเจริญอนิจจังความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอนันตตาดินน้ำนมไฟไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เวลาปฏิบัตินี้อย่าไปกลางตำรา ด, ดูมันคนคนดำเนองกันเวลาปฏิบัตินี้ให้กลางใจดูใจตัวเดียว ดูใจว่ามีสติควบคุมอยู่หรือเปล่าใจลอยไปลอยมาหรือเปล่าหรือใจนิ่งใจอยู่ปัจจุบันใจคิดปรุงแต่งหรือเปล่าให้ดูตัวนี้ใจสงบหรือไม่สงบดูแค่ตัวเนี้ยตําราที่แท้จริงก็ตัวนี้พระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พระแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ออกมาจากใจของพระพุทธเจ้านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปอ่านตำราจากที่ไหน ที่บกรดทำมั่มีการเป็นพื้นที่แทรกขึมเป็นพื้นที่แทกมา็มันปรุงแต่งอยู่เรื่อยไงมันมันก็ต้องเอาบริกรรมให้มันถี่ขึ้นอย่ากให้มันคิดสติแล้วไม่อยู่กับคําบริกรรมอย่างต่อเนื่องมันก็วับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ถึงบอกเมื่อกี้บอกต้องบริกรรมให้มันถี่ให้มันเร็วขึ้น ถ้ายัางถ้ายัางคิดมากก็อย่าเพิ่งไปดูลหมหายใจไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็ต้องใช้การบริกรรมใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดปฏิโมกไปก็ได้สี่สิบห้านาทีสวดไปเดินจง ก, กรมสวดไปเดินจง ก, กรมแลนั่งสมาธิสวดปฏิโมกไปวันละสามสี่รอบดูสวดไปให้มันเหนื่อยเลย พอเหนื่อยแล้วกาลังมันก็อ่อนลงความคิดมันก็จะอ่อนลงไปเองเราต้องตัดกําลังมันด้วยการบริกรรมด้วยการสวดด้วยการท่องบททำต่างๆแล้วความคิดมันก็จะหมดแรงไปเองแล้วทีนี้ก็มาดูลมหายใจได้แนละ้วพอไม่ไม่คิดอะไรก็ดูลมต่อได้ขณะที่มันคิดดูลม ดูลมนลกวก็คิดก็อย่าไปดูใช้การบริกรรมพุทโธใช้การสวดไปก่อนสวดไปภายในใจเนี่ยไม่ต้องออกเสียงนยลองไปทำดูคนอื่นมีปัญหาอะไรไ้ยคำถามอะไรหรือเปล่ามีอะไรจากเฟซบุ๊กไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มี อย่างนั้นก็คิดว่าเราเอาเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำมาไปปฏิบัติต่อพยายามปฏิบัติให้มากอย่าฟังอย่างเดียวฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่า